ยังมีอะไรว่าไหมชั <honestly> ่โมงงดีๆ <Mostly> ฉันก็ฟังเทปของอาจารย์ตลอดมาแล้วก็เราเอาเทปดัดดูก็ได้ของเจต่าให้แต่จนมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเนี่ยล้วก็นั่งสมาธิไม่ก็เดี๋ยแล้วก็ใช้สติคุมแต่วันนี้จะมาเรียนของกลเม็ดเคล็ดลับของพระอาจารย์ว่าความอย่างไรจะให้สติมันแข็งแรงพอที่จะคุมคุมไม่ให้จิตมันวิ่ไปไหนได้เจต่าก็ต้องคุมต้องฝึกสติทั้งวันเนี่ย ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาเนี่ยก็ทำอยู่เจ้าค่ะแต่บางครั้งอาจจะขอประทนโทษเจ้าค่ะมันเหมือนจะว่ามีของเยอะๆเอาพ้าไปคลุมมันแล้วผ้าฝืนมัเล็กใปของมันเยอะไปค่ะก็ทําทําของให้มันน้อยสิมันเยอะแต่ของมันมีเก่าแล้วกับของมันย่โทิ้งไปมากเลยคนตัความทุกขความทุกขที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่แล้วมันก็ไม่ลืมเจ้าค่ะพยายามพยายามจะลืมก็ไม่ลืมล้นละแต่สิ่งที่ว่าก็เล็กอะไรนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปหาเล่อคิดเจ้าค่ะ จะเป็นเรื่องที่โผล่ขึ้นมาใช้คำว่าเรื่องที่โผล่ขึ้นมาขนาดนาาั่งสมาธิแสดงว่าสติส<ะ>เราไม่มีกําลังพอวันนี้เลยมาขอเคิดลับก็ทําอย่างไรสติจะแข็งแรงก็ค่ะท่องพุทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยใ่ไ อ, อย่าอย่าปล่อยให้มันคิดอะไรเวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้ให้มันท่องพุโทโธพุทโธไปโชก็ขนาดใช้ลองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จ้ะค่ะ แบบนั้นนะบ่อยบ่อยเฉพาะแล้วก็หวดบิงกับมาใหม่ก็สติดึงกับมาใหม่ก็ต้องทำตรงนี้ตรงตรงนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเฉพาะอยากให้ประเภทว่ารับอยู่กับอะไรก็ให้ยาวตลอดไปไม่ไม่ต้องไม่ต้องถือสติให้ไปที่อื่นตรงนี้ค่ะจะมีวิธีการอย่างไรคะก็เนี่ยมีวิธีเดียวก็คือต้องทองพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าหยุดพุทโธเมื่อไหร่มันก็จะไปทันทีวันแข้งวันแข้งวัน แบบไปไม่รู้ตัวในะเจ้าคะถ้าไปรู้ตัวยังพอสติดินกลับมาได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่บางครั้งเจ้าเล็กอะไรล่ะมันคือคือบางครั้งนั่งสมาธิไม่ได้คิดถึงเลย เ, เรื่องมันก็โผลงขึ้นมาเพรบางที<ต>เราเร า, า, เ, เ, ราเราไม่ได้ทําแบบจริงจังการสร้างสตินี้ถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภยัยมันจะไม่จริงจังต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวแล้วมันจะจริงจังกว่า <c oughs> อย่างโเดิ น, เ ด, นเดินเข้าไปในป่าเนี่ยจะมีสติมากกว่าเดินตามห้อง ล่าตามศูนย์การค้าถ้าเดินตามศูนย์ก็เดินตามท้องถนนตามบ้านเมืองใจมันจะไม่มันรู้สึกปลอดภัยมันก็เลยไม่ระมัดระวังมันก็จะคิดนู่นคิดนี่ไปแต่ถ้าลองให้โยมเดินเข้าไปในป่าดูเนี่ยมันจะไม่เดินแบบเดินอยู่ในบ้านในเมืองมันจะระมัดระวังมันจะคอยดูข้างหน้าว่ามีงู ว, ว่าเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพระที่เขาต้องการเจริญสติการส่วนใหญ่เขาถึงต้องไป ปีกวิเวกอยู่ในป่ากันเพราะในป่านี่มันเป็นที่ที่มีภัยรอบได้าแล้วมันทําให้เกิดความระมัด ร, ระวังความระมัด ร, ระวังนี้ก็คือสติ อ, อีกอีกข้อหนึ่งก็คือแบบว่าเรียนนียสามนักศึกษาตอนนี้ก็ตอนที่เรียนนักศเราต้องใช้วิธีว่ามองมองไม่ใช่มองเฉยมองแบบมองลึกเป็นนะคะวิเคราะห์วิจัยแบบนั้นใช่ไหมคะปิดนิสัยจัค่ะ แลดีไซก็เป็นครูเวทยาศาสตร์ามาตลอดก็ได้ก็อสอนให้เด็กเป็นอย่างนี้อีกนะอย่ี้พอพอถึงตัวเองตอนที่จะมานั่งสมาธิเนะะ่ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ปรุงง่ายให้โชก้าคือปรุงง่ายให้พอ อ, อายตระนาอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยเอาละจะไปละคือจะมองลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปมันก็เหมือนกับการวิเคราะห์อะไรแบบนั้นค่ะจะจิตจับให้มันอยู่เฉยๆเนี่ยยากจังเลยค่ะทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่นานโชค่ะก็ใช้ปัญญาเสรษจะวิเคราะห์พิจารณาสิ่งที่เราดูวา่าเป็นตายรักไป ก็ทําอยู่นอถ้าเป็นตายรักมันก็จะปล่อยมันก็จะหยุดพอคิดถึงเรื่องนั้นก็หวั่นมันมันบ่อยบ่อยมากกเจ้าค่ะกันเลยไปถามพราอาจารย์ซิทำยังไงดีมันถึงจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอยากให้มันสงบเร็วๆแบบนันได้เจ้าค่ะเอถ้ามันถ้ามันปัหานิดนึงถ้ามันเป็นไปตามความอยากได้ก็หลุดพ้นกันหมดทุกคนแะ้วคือพยายามเป็นนี้มันก็มันก็ไม่คือพยายามแล้วเจ้าค่ะก็เลยเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วเจ้าค่ะก็เลยมา ขอวิญญาเพิ่มจัดท่านะเจ้าค่ะก็เนี่ยแหละก็มีที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะต้องต้องทำอีกใช่ไหมคะอ่าทำอีมันต้องทำเนี่ยแล้วก็ต้องอดทนอ่าแล้วก็อย่าไปอยากเพราะอยากมันจะทําให้ย่อท้อคือบางครั้งมันเหมือนปลวกตัวเองนะเจ้าค่ะได้เพราะว่าทำแล้วไม่ได้ทำไม่ได้สัทีมันจะย่อท้อแล้วมันก็จะผ่านไม่ทํามันก็เลยไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามัน มันมันมันขาดอะไรมันขาดความเพียรมันไม่ยอมทําำเขาทำแล้วก็คะก็นั่นเลยพอยอดท้อมันก็ไม่ทําเจ็บใจตัวเองตรที่เขาทาไปถึงขัละบ่อยบางครั้งคั้หนึ่งครั้งหนึ่งไปละแบบนั้นได้ไหมต้องอย่าโกรธเวลารู้ว่าตัวเผลอว่าโกรธตัวเองอย่าไปโกรธโกรธก็ทําให้เราเสียกําลังใจก็ต้องบอกว่าต้องเอาเอากความเผลอนี้เป็นมาบทเดินว่านี่เรายังแย่อยู่นะเรายังสติยังไม่ดี เราต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นแต่บางทีเนี่ยต้องต้องไปอยู่ที่น่ากลัวดูบ้างมันจะช่วยได้เวลาเรากลัวผีเนี่ยก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธนี่มันจะไม่ไปอยู่ก<ร>ันแน่อนไม่กลัวผีใช่ไหมอ่าก็ลองไปดูสิไม่กลัวเลยกล็ยต้องไปหาที่อะไรที่เรากลัวดูคือเพื่อเอโชคดีโชคขาดคือชาตินี้ตั้งแต่เล็กมาจนถึงโตนี่ค่ะจะสดพบทุกอย่างที่ที่ในพุทธบัญญัติจำนวนไ้ขัง ถึงทราบจ<ส>บแทน ม, นมนไม่ไม่ใช่ไม่ถูกนะเจ้าค่ะ้ารสารการไม่จะไม่ช่ไม่ถูกก็โอเคอะคะ่ะตอนนี้ว่าคื อ, ค, อคือบางครั้งเนี่ยพอมีความรู้สึกแพออาจจะใช้คำ ว, ว่าเผลอก็ได้นะคะแปบ๊บหนึ่งก็จะไปเรื่องเรื่องอื่นในที่ประเภทว่าเขาเรียกอะไรอะมีเคราะมีเคา ะ, ม, คาะม่ใส่หรือไเรื่องไม่มไม่ไม่ใช่คิดเรื่องเล่ยเปื่อยนะคะคิดเรื่องที่มีสาระ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่สมควรเพราะว่าเรากำลังทาสมาธิอยู่ใช่ไหมคะมควรจะแบบนิ่งๆอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จะไปก่อนก็เลยมาเรียนศึกษาทั้นวันนี้สิคะกลับไปจะไปปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิมสิคะก็มี2วิธีนะก็คือใช้สติก็ให้เพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆหรือวิธีที่สองก็ใช้ปัญญาเวลาเราคิดถึงอะไรเราพิจารณามันว่ามันเป็นตายลักไป แล้วมันก็จะหยุดคิดถึงเรื่องนั้นได้เช่นเราคิดถึงลูกแล้วก็บอกว่าลูกก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตันนั้นเข้าใจสักการ์แล้วถ้าทำอยู่ก็มไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยนี่สะกกาแต่แต่เมื่อคิดเป็นที่เป็นปัญหาของดิฉันตลอดเวลามาก็คือกานั่งสมาธินิ่งๆเนี่ยเรื่องจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีกันแล้วแต่มันก็จะพุดขึ้นมาแบบแว่าพอนนี้เราก็ต้องเออเอาสติมากดมันที น, นี้ตรงนี้ค่ะบางครั้ง มันทั้งกดได้เร็วมากเลยคือรู้ตัวว่าเอาละเอารับไปละดึงกลับมาแต่บางครั้งต้องนานนะเจ้าค่ะที่ได้เป็นเรื่องเลยกว่าปจารู้ตัวเอา้าเราเราคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทานองเนี้เจ้าค่ะคือทําอย่างไรสติจะเข้มแข็งลงเนี้ค่ะจะฝึกให้มันได้ค่ะแต่มันก็จะมีปัญหาตรงเนี้ยค่ะก็ปัญหาก็คืต้องทำนะนี่พอต้องทําให้ปัยขึ้นเอ่าพอไม่มีสติก็ต้องดึงสติกลับมานเอง แ ล, แล้วเราเล่นที่ภาพบางิดบางทีเจอเรื่องอะไรแล้วไปวิเคราะห์ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่ น, น, น, นคือมันเป็นความเคยชินที่เรียนมาแล้วก็ที่สอนมาทว่สอนก็บอก<ม>พอวิเคราะห์ อ, อะไรก็มันวิเคราะห์ไปเป็นตายรักไปสิให้ให้ลงไปรักให้หมดทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใช้กาง<ส>ามรก็ลงไปหมดเล<อ>ย<ช>ตายรักมันอยู่ในตายรักหมดให้ลงตรนั้นให้หมดอ่าพอมันตายรักแล้วมันก็จบมันก็จะปล่อยได้ ถ้าสุดหน้าที่ที่ฉันดูอยู่ก็จะเป็นประเภทศอะไรนะประเทศสิ่งของหรือว่าอะไรอย่างมันก็ตมันก็ไตรักเหมือนกันทุกอย่างไมลงพวกวิชาการไม่เคยลงทุกอย่างนี่มันทุกอย่างนี้มันไตรักเหมือนกันเนี่ยลงประเภทศนี้เจ้าค่ะประเภทที่เห็นเห็นแต่ไอ้ที่ไอ้ที่ว่านี่มันคือสนาะแบบไม่เห็นนะเจ้าค่ะไม่เห็นแต่ว่าคิดไปคิดไปเล็กไปวิเคราะห์ไปก็ให้ลงไตรักเหมือนกันตัวอย่างมัอนไตรักเหมือนการวิเคราะห์นี่ก็เป็นตายรักคิดแล้วมันก็ดับไปคิดแล้วมันก็ดับไปคิดไปทําไม มันได้เลยมันมันก็ไม่สื่อคิดเราทำมันเหมือนกับเรื่องเก่าเรื่เก่าที่ต้องทํำยูไม่ใช่ไปหาได้คิดใหม่หรอกเจ้าค่ะเรื่องเก่าเท่านั้นตัวนี้ไม่มีวันจบหรอกคุณนี้ยอมก็ออกไปทางนู้นพอพอทางนู้นก็กลับมาทางนี้ไม่ใช่เจ้าค่ะคือเหมือนกัไม่ใช่หาเรื่คิดใหม่โยมจะไม่เข้าใจเจ้าค่ะคืออาจจะไม่เข้าใจในภาษาที่ใช้คือ ไม่ใช่ขาวเร่งมาคิดใหม่มันเป็นเรื่องเก่าทางน้ำเลยนนมันเก่าแล้วใหม่ไหมมันใหม่หมดแล้วว่าพอคิดตอนนี้มันเป็นของใหม่แล้วเป็นความคิดใหม่แล้วถึงแม้จะเป็นเรื่องเก่ามันก็เป็นความคิดใหม่่้แลวก็หยุดมันสิก็หยุดมันเท่านั้นถามว่าคิดไปทำไมไม่เก่าแม้จะคิดใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่จับเเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บมากค่ะเออเก่ามันผ่านไปแล้วมันหายไปแล้วเวลาคิดขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องเป็นความคิดใหม่แล้วถึงมันจะคิดเรื่องเก่ามันก็เป็นความคิดใหม่ ที่คิดที่ยอมที่ยมอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาก็คิดว่าก็มันเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นเรื่องใหม่นี่เคยคิดเลยแต่เรื่องเก่ามันโผล่ขึ้นมาเข้าใจแล้วค่ะเพาถ้าคิดใหม่แม้จะเป็นเรื่องเก่าก็คือเรื่องใหม่เข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นความคิดทั้งหมดเนี่ยเราเราเราปล่อยให้มันคิดมันก็คิดอยู่นั่นแหละถ้าเราใช้พูดโธใช้อะไรมันก็หยุดคิดได้ถ้าเราอยากจะคิดก็คิดให้มันหยุดคิดเสียคิดถึงเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นว่ามันเป็นตายรักไปแล้วมันก็จะหยุดคิดเองมันก็จะปล่อยวาง อาจารย์ครัลักษณะแบบนี้เนี่ยเราใช้พุทโธแรงๆหรือพุทโธถี่ๆได้นะฮะได้ได้ให้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปให้มันอยู่กับเรื่องนั้นอย่าให้มันไปคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆท่องพุทโธไปเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าเงี้ยเดี๋ยวมันก็มันก็หยุดไปมันถ้าเราไปคุยกับมันมันก็เดี๋ยวก็คุยต่อไม่คุยต่อ ยอมนะไปต่างจําหวัดูุระไปธุร้าต่ น, าตนี้ก็เลยไม่ได้ทำทำนิดเดียวสักสิบนาทีแล้วนอนโัวแรวมันสบายไปน ะ, ะนี่พอกลับมาแล้วพระท่านอาจารย์ก็ถามสองวันแว้วไปนั่งไ่ายไปถึงอังกฤษหรือเปล่าทำารือเปล่าก็ก็คิดก็ก็มีความรู้สึกละอายแก่ใจก็แต่ว่าก็ยังก็ยังแบบ ความเกียดคราไม่รู้สึกมันจะกำลังคลืบเข้ามาใช่ไหมฮะเพราะเราทิ้งไปนะรู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฟังเทศฟังเทศสดเลยนะคะไม่ได้ดองไว้ข้ามคืนอันนี้สดเพราะความขี้เกียจอะไรตั้งฟังนะะี่างนี้ท่านอาจารย์ก็เทศเหมือนอย่างเดิมหลายหะนะตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนจิตตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะ คือไม่มีใครจะมาทำปฏิบัติทำให้เราได้นอกจากตัวเราเองเราจะไปไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองือ้คิดขึ้นมาได้เป็นแรงบันดาลใจเป้งตอนนั้นในทา่านปิดเลยปิดท่านเลยไม่ฟังตออเลยนั่งนะคะสามโมงทท่านรู้สึกจบแล้วเด้บ่ายสามโมงนะคะนั่งไปถึงสามทุ่อหกชั่วโมงไลนะหกชั่วโมงไปเข้าจนะตัดเดี้ยลอกมา คือว่าอันเนี้ยสังเกตได้ด้วยตัวเองว่านอกจากจะงามรู้สึกผิดอะว่าอาจารย์เตือนยังไม่ค่อยฟังเลยแล้วก็เรื่องที่สองก็คือมี ม, มีมานะความเพียรที่จะทําให้ได้ป้าบอกว่าครึ่งแรกนะฮะมันก็แบบมีอะไรที่เนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปทําธุระซึ่งเป็นงานนะฮะแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยสามชั่วโมงหลังเนี่ยโคมันมันนิ่งมากนะอืม นีม่มากแล้วก็แบบว่าจิตใจสบายเพราะเรามีความมุ่งมั่นว่าตัวเราตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยเราเองได้ไม่มีใครมาช่วยใช่แล้วเราโชคดีมีอาจารย์ทึ่งแสนจะดีแสนดีมาช่วยคอยว่าอยู่ทุกทีที่สายบาดนะเตือนทั้งยังอะไรเงี้ย <c oughs> ก, ก็เลยทำสาเร็จขนาดทิ้งไปต้งต้งเกือบอเกือบอาทิตย์นะแต่เพราะความมุ่งมั่นนยะโยมก็ ตอบมาที่เดิมอขอให้พยายามทําต่อไปเรื่อยๆให้ห้มันติดเป็นนิสัยให้ได้แล้วพุทโธเนี่ยฮะที่สำเร็จก็เพราะพุทโธเพราะว่าอลายเข้ามาเนี่ยพุทโธรัวเลยนะฮะแล้วมันก็สงบสงบไปถ้าเผื่อเขาไม่ค่อยเข้ามาก็แผ่วๆเหมือนเหมือนเหมือนออเคสตราเหมือนมิวสิคเลยก็นั่นแหละพยายามควบคุม ใจให้ได้ก็กลุ้มใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจก็ออกไปแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็คือต้องรักษาความมุ่งมั่นนี้ให้ได้เพราะมันนี่มันก็อาจจะเป็นเหมือนไฟไหม้ฟางก็ได้อพอได้พอได้ไฟหน่อยก็ลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอไฟดับไฟก็หายไปพยายามต้องพยายามต้องจุดไฟขึ้นมาเรื่อยจุดประกายความเพียรขึ้นมาเรื่อยๆถ้าอาจารย์ถามว่าไฟลอำดั่ง่ะไฟเปล่าวันนี้ก็ อยู่ฮะไม่ไม่ไม่ธรรมดาฮะมันต้องปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยจทั่งรู้สึกว่าวันไหนไม่ได้ปฏิบัติแล้วคิว g u i ต t ้อย่างเงี้ยต้องทำทานเทเบิลนะนะเวลาไหนว่าผลมันเกิดจากการปฏิบัติที่คุยกันนี่เพียงแต่ ดูแผนที่นะ น, นีต่ต้องทำํำถึงจะรู้ว่าความสงบนี่มันเป็นยังไงมันดียังไงมันส อ, อสนนมันจะรู้ว่าความสุขต่างๆที่เราได้รับนี่สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้มันยังไม่ต่าเขียวต่าอนนะฮะแล้วก็เต่าเขียวที่ขนาดไหนใช่ไหมที่วันนี้มันเกิดขึอ้อยากให้วิจาช่วยอ่า อยากจะได้อะไรล่ะไม่อยากได้อะไรก็ยาวอย่างงี้ก็ไม่ต้องเอาเะไรให้ให้พายตาจยเชื่ออยู่เทศผมนานๆเลยก่อนได้ก็ได้ก็ของเก่าก็มีฟังได้เคยมาหลายรอบนะพอดีว่าพ่อท่าให้ ให้เคยให้ฟังซีดีครับท่านมาอัดเสียงพระอาจารย์ไปให้ฟังเขาเลยแนะนำว่นที่นี่มาผมมาก็มาแต่นั่งอยู่ข้างนอกไม่เคยขึ้นมาไม่เคยไเยห็นหน้าพระอาจารย์โอเคมมีซีดีเอาไปได้นะแล้วก็ติดตามทางบ้านได้มีถ่ายทอดสดทุกวันมี Facebook ก็แบบแผนไหนสองแผนนะ มีเฟซบุกก็บปล่าเล่นเฟซบุ o กกัเปล่าไม่มีเลยถ่ายทอดสดอยู่เนี้ยถ้ามีมือเข้าไปในเฟซบุ๊กบ่ายสองก็ติดตามถ่ายทอดสดได้แฟนเขาเอาไปไว้ผมไม่มีอั้เค้นหาชื่อพระอาจารย์สุชาติก็ถึงก็เข้าได้เลยแล้วทุกบ่ายสมงก็ดูสดได้หรือเวลาอื่นก็ดูของที่เก็บไว้ดูได้ตลอดเวลาเปิดให้พ่อฟังก็ได้ พ่อท่านมาประดับอแล้วแต่คือคงส่วนใหญ่จะมาคนเดียวาก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในทางยิย่งขึ้นไปนะอ้ะอมีอยากหาให้พันการนิดหนึ่งนะคือบางครั้งนั่งนั่งสมาธิแล้วพอพุทโธไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าพุทโธมันหายไปคนระับก็เด้งกลับมาใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันบินพุทโธมาแล้ว ถ้ า, ถามันไม่คิดก็ไม่ต้องเด็กให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆว่ามันไม่คิดถ้าพอมันเริ่มคิดก็พุดโธมาเพราบางครั้งเหมือนยิงพุทโธมาแล้วมัน ต, ต้องการให้มันหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดเราก็ไม่ต้องทําอะไรให<อ>้มีสติประคับประคองใจไว้ไม่ให้ไปคิดต่อถ้ามันคิดต่อก็ก็ใช้พุทโธหยุดมันไปพยายามนั่งไปให้นานๆให้หยุดคิดนานๆแล้วใจจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับ มีอะไรมค่ะในวันนี้เป็นวันตรงวันเกิดครบรอบปีปที่สี่าปฏิยาหาแล้วอาอยากมาขอคำแนะนำก็คือใจจริงไม่รู้เหมาะสมที่จะถามหรือเปล่าคือว่าอยากจะเป็นเช่นเศรษฐีผู้ใจบุญอยากจะมดน้ำรวยทรัพย์ทั้งัภายนอกและทรัพย์ภายในเพื่อที่ตลาด ดเหล่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พนม พ, น พ, นพนรมศาสนามันพอจะไปด้วยกันได้ไหยคะก็ะคือทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ที่เมีอาจารย์หลายอาารบอกว่ายิ่งให้ก็เหมือนต้องยิ่งได้นะค่ะอืมมันพอจะมีที่เป็นผลกันแล้วมันจะสําเร็จอันนั้นก็เป็นเป็นผลแต่ความแต่ไม่ได้เป็นผลหลักของการให้การให้นี้เพื่อก็เป็นการตัดกิเลสคือตัดการพึ่งพาสายเงินทอง เป็นเครื่องมือให้ความสุขกัขบเราเพราะว่าเงินทองมันไม่แน่นอนถ้าไม่ดีแล้วต่อไปมันก็จะทุกได้แต่ถ้าเราไม่อาศัยเงินทองมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่ทุกและเราก็จะมีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมที่เป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ที่ได้จากเงินทองเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่า การทาบุญทาทานนี้เป้าหมายหลักก็คือเพื่อที่จะปลดเราจากการที่ไปต้องไปพึ่งเงินทองต้องไปใช้เสียเวลากับการหาเงินทองกับการใช้เงินทองเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติอย่างเต็มที่มาอยู่แบบแม่ชีอย่างเงี้ยมาอยู่แบบนักบวช mm hmm. เพราะบุญหรือความสุขที่ได้จากการบวชจากการปฏิบัตินี้มันสูงกว่ามากกว่าบุญที่ไดจากการทาบุญทาทาน ต้องเป็นคารวาทะที่ต้องรับผิดชอบทางโลกอยู่ใครบอกว่าใครบอกว่าต้องรับผิดชอบแล่ะถ้ามีนี้สิ่งก็ใช้มันไปสิมีคื <c oughs> มีสมบัติอะไรก็ขายไปสิจะเก็บไว้ทําไมถ้าเป้าหมายของเราเพื่อไปปฏิบัติธรรมนี่มัไม่ไมีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้ตรงนั้นเราก็จะไปไม่ได้อย่างเราตานี่พอได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วได้สัมผัสกับความสงบ เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบก็ลาออกจากงานเลยไม่รู้จะทำาปหน่อยทำแล้ววุ่นวายใจเอาเวลาไปทำงานมานั่งสมาธิดีกว่ามันมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าเรายังไม่เห็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติเราก็ยังต้องติดกับความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็เลยไปไม่ได้เราก็เลยต้องหาเงินเพื่อจะได้มีเงินไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา ตอนนี้ก็ลองลองทำแบบนี้สิทุกครั้งที่ยำเงินไปซื้อความสุขก็ไปทําบุญแทนแทนจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวได้ความสุขได้จากการไปเที่ยวนี้สุขเดียวเดีๆพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วพอคิดถึงมันก็อยากจะไปอีกแล้วก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญเนี่มีความสุขใจอิ่มใจเวลากลับมาบ้าน ก็ยังสุขใจอิ่มใจอยู่ mm. เวลาคิดถึงเนื่องบุญที่เราทํา mm. ก็ยังทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจอยู่ไม่ได้ทําให้เราหิวเราอยากขึ้น mm. ผลแตกต่างกันความสุขใจได้จากการใช้เงินไปในสองทางนี้แตกต่างกันทางหนึ่งทําให้เกิดความหิวความอยากความทางหนึ่งทําให้เกิดความอิ่มความพอ mm. ลองทําดูสิ mm. อันนี้ ก็อยากจะทํำบุญไม่ใช่เลยก็ทําไปเสียยาวเงินไปเที่ยวทุกครั้งจะเอาเงินไปเที่ยวก็มาทําบุญทุกครั้งจะซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ไปทําบุญอย่างเช่นข้าวตถิ่นะครับเช่นแล้วก็ทราบว่าคุณแม่เลยอยากเป็นเสื้อผ้าแต่ก็ยังมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็ทําตามกําลังอย่าไปทําเกินกําลังเพไม่มีการทําบุญนี้ให้ทําเพื่อเพื่อเพื่อตัดเงินทองที่เรามีอยู่เกิดสกัดการใช้เงินทองไปในทางที่ผิดแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่า แทนที่จะเอาไปเที่ยวกันเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันก็เอาไปทาบุญมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องทำเท่ากับคนอื่นคิดว่าพอสมควรแก่เวลานะวันนี้ก็ขออภัยทางบ้านด้วยนะพอดีวันนี้ทางสาลามีผู้สนใจถามกันเยอะก็เลยไม่มีเวลาตอบคำถามทางบ้าน ก็ไว้รอวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะก็ <_ D> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป <_ D> พินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ <_ D> อ